จิตใจของผู้ที่อ่อนแอให้เข้มแข็งขึ้นบางคนก็ช่วยตัวเองไม่ได้เนี่อว่าควบคุมจิตของตนไม่ค่อยได้แต่ส่วนหลายนะ่มักจะเป็นอย่างนั้นดังนั้น เ, นเราจึงได้รวมกันอยู่เป็นโมเป็นคณนนะ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 แต่แล้วกรรมที่ทำนั้นแทนที่ว่าจะถูกคนอื่นมาฆ่านายกอให้ตายตอบแทนกันอย่างนี้นะมันเป็นไปไม่ได้ก่อนแต่บางรายก็อาจเป็นได้แต่แล้วนายกอนั้นก็ยังธรรมาหาเรื่องที่เป็นไปด้วยดีอยู่อย่างนั้นแหละเป็นไปตามบุญตามกรรมของตัวเองอยู่อย่างนั้นแหละ กรรมชั่วที่ทํานั้นยังมาตามสนองอย่างว่านี่ยังไม่ได้แต่ว่ามันสนองทาง จ, จิตใจจิตใจย่อมเป็นคนใจดำเอามาเหีย่ยวงั้นแหละอย่ากจุดที่มันจะมีใจเป็นบุญกุศลแต่มีอยู่ใจบุญนะ่มีได้เป็นครั้งเป็นคราวอันนี้ การปฏิบัติทางกิจใจก็ต้องใขค้ควรพิจารณาให้เห็นเหตุปัจจัยของชีวิตดังกล่าวมานี่ตามความเป็นจริงเมื่อมองเห็นเหตุปัจจัยแห่งชีวิตดังกล่าวมานี่เห็นแจ้งประจักษ์โดยปัญญาแล้วผู้นั้นแหละมันจะเพียรพยายามละเว้นจากกรรมอันชั่ว จึงจะเป็นทูกขยันมันเพียนไม่เกียดคร้านถ้าไปเกียรคร้านเสียเกเรตันหาบาปธรรมนี่มันก็จะถุดคล้าไปสู่อะปใบภูมิทั้งซีมีนรกเป็นตน้นตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั้นน่ะผู้ที่มีความเห็นโถเห็นชอบ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 เริ่มต้นไปมันก็ตั้งแต่กิเลสที่แหละความโลภความโกรธความหลงมานะัิิธิต่างๆหมวนี้นะมันดองอยู่ในสันดานของคนเรานี่มานับชาติไม่ทวนเลยกิเลสเหล่านี้แหละเมื่อบคุคคลใดไม่เห็นโทษเขามามีเพียรละมันอ่ะมั น, นะมนก็ ดนจิตใจให้ทำบาปข่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมมสาวาดคือพูดเท็จ ด, ดื่มสุราเมรัยเครื่องดองของเมาต่างๆเช่นกัญชายาฟินเฮโรอินบุหรี่มูนีะ ส้งเศษกับของเศษติดเหล่านี้ได้เลยเพราะว่าถูกกิเลสต่วนี้มาครอบงำนี่มองไม่เห็นว่ามันมีโทษมีภัยอย่างไรต่อชีวิตของตนเองและผู้อื่นมองไม่เห็นเลยก็วความหลงมาเข้าครอบงำจิตใจมากเมื่อบุคคลทำ กรรมชั่วอย่างนี้ด้วยอำ น, นาจของกิเลสแล้วว่านี่ก็จะต้องไปสวยผลแห่งกรรมชั่วที่ตัวทำนั้นท่านเรียกว่าบีปากวัตเนี่ยหมายความว่าวัตตะเนี่ยมันหมุนเวียนไปอย่างนี้แหละถ้าว่าบุคคลไม่ละกิเลสเสียตาบใดแล้ว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 ชีวิตของมนุษย์เรานะ่ะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ว่าวัตะโตโลโกทัดโลกนี้ย่อมหมุนไปตามอำนาจแทง ร, รมดีกรรมชั่วที่ตัวทำเอาไว้ mm hmm. เมื่อเมื่อเราได้ยินได้ฟังอย่างนี้นะลองคิดดูว่าในตัวของเรานี่นะ มันมีไหมเหล่ากิเลสที่จะพาให้ทำกรรมดีกรรมชั่วนั่นนะแล้วจะต้องได้ไปสวยวิบากกรรมเหล่านั้นน่ะมันเป็นไปได้ไหมทุกคนต้องตรวจ ด, ดูจิตใจตัวเองนี่มันก็รู้ได้เลยถ้ากิเลสยังมีอยู่ในจิตใจของตนอ่าอย่างนี้นะแล้วสมมติว่าถ้าหาว่าตนไปรู้อำนาจ แกกิเลสเหล่านั้นแล้วตนจะทำบาปมีปาณาติบาตเป็นต้นได้ไหมได้แน่นอนเลยทีเดียวอะถ้าไปรู้อำนาจแกกิเลสเช่นความโลภอย่างนี้นะความโกรธมูเนี่ยถ้าไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตให้ตายแต่แล้วมันก็ไป เป็นเอะใจได้ไปเบียดเบียนผู้อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนด้วยการไปช่อไปโกงไปหลอกลวงไปใช้อํานาจป่าบเชินขูรีดเอาสมบัติเงินทองของคนอื่นมาเป็นของตนหรือไม่ทางเกาะไปทุกไปตีผู้อื่นให้เจ็บให้ปวดให้เสียองค์ฆ่ไปหรือตามก่อนนั่นลงมา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 เมื่อใครนําเอาเรื่องของคนโน้นว่าไม่ดีอย่างโน้นอย่างนี้มาพูดให้ฟังหรือว่านําเอาเรื่องคนโน้นว่าว่าคนนั้นอะ่ะว่าให้คุณอย่างนั้นว่าให้คุณอย่างนี้ยกโทษคุณอย่างโน้นอย่างนี้ไอ้ผู้ได้ยินเข้านี้ก็ไปเชื่อทันทีว่าเขาว่าให้ตนจริงโกรธทันทีเลย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 เช่นมีสิ่งมายั่วให้เกิดความรักมันก็เกิดความรักของใครอย่างรุนแรงไปเลยอย่างนี้่ธรรมดาดจิตใจที่ไม่ตั้งมั่นเป็นสมาธิอยู่ได้มีเรื่องมากระทบกระทั่งยั่วให้เกิดความโกรธไม่ได้พินาหน้าหลังอะไรก็โกรธไปทันทีเลย เมื่อโกรธอยู่ในใจแล้วลระงับได้ก็ยังนว่าเป็นฐานดีแต่นี่ส่วนมากมันระงับไปได้มันแสดงออกทางกายทางวาจานุนแสดงกิริยาหยาบคายต่อกันและกันทางกายทางวาจาออกไปนี่แหละลิดเดชแห่งความโกรธแห่งความโลภ คนเราอยู่ดีๆกันก็อแตกสามคัคคีกันไปได้เมื่อต่างคนต่างไม่ละกิเลสเหล่านี้นะสามีภรรยาเมื่อเวลาก่อนแต่งงานกอรักให้กันเหมือนกับว่าจะสละชีวิตเพื่อกันและกันได้นูน่นถ้าถึงได้ยอมแต่งงานกันอันเมื่อแต่งงานกันมาแล้ว เวลาที่พังเผอการงานยุ่งยากเข้าบางังเงินทองขาดมือไปบงังเอาละจิตใจก็ถุนเขียวขึ้นมาพอกระทบกระทั่งกันนินดๆหน่อยๆก็กลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตขึ้นไม่ยอมให้อภัยซึ่งกันและกันเลยทะเลาะวิวาดกันอย่างรุนแรง เอาไปมาก็เลยอย่าร้างกันไปตั้งตัวให้เป็นฝั่งเป็นฝาไม่ได้เลยดนกลายเป็นคนละเหเละล่อนไปชีวิตนี่เลยไม่มีความหมายแล้วแม่เป็นนักบวชก็เหมือนกันแหละถ้าว่าต่างคนต่างไม่ทำความเพียรพยายามละกิเลส เป็นแต่เพียงว่ามาซ่อนตัวอยู่ในป่าในเขาเฉยๆแล้วไม่ตั้งใจทำความเบียรยิงกิ้งเห็นแต่แกหลับแกนอนเห็นแต่แกอยู่แกกินอย่างนี้นะหน่อยหนึ่งมันก็เกิดทะเลาะวิวาทกันขึ้นหละนักบวชก็ดีเพราะว่ากิเลสตันทีมันเป็นเหตุ ต่างคนต่างไม่สำมรวมจิตใจตัวเองไม่ภาคเกียนพยายามทำกิเลสให้เบาบางลงนั่นก็ทะเลาะวิวาทกันได้เหมือนกันแหละอย่าไปว่าใ่ชาวบ้านเลยนี่นักบวดก็ทะเลาะกันได้กิเลสนี่มันไม่เห็นแก่หน้าแก่ตาใครนะผู้ใดสะสมมันไว้เท่าใดแล้วมันก็ทำพิษออกมาเท่านั้นแหละ ดังนั้นนะควรพากันพิจารณาให้มันเห็นเหตุนั้นจึงว่ากิเลสถ้ามันเป็นเหตุให้คนเราทำบาปแต่ว่ากิเลสบางอย่างกับปัตบรดาให้ทำบุญได้อยู่เหมือนกันไม่ใช่จะให้ไปทำแต่บาปหรอกความจริงเนะี่ยเช่นอย่างว่ากิเลสที่ไม่เจืออยู่ด้วยบาป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 ก่างเงินได้คบกับนักปราดบัณฑิตได้ไปศึกษาไต่ถามท่านทำอย่างไรข้าพเจ้าถึงจะมีความสุขนักปราดท่านก็จะแนะนำหนทางให้เกิดถึงซึ่งความสุขขึ้นให้ฟังก็เมื่อต้องการอยากมีความสุขก็ต้องเป็นผู้ละเหตุแห่งความทุกข์เสีย แล้วก็มาดําเนินตามทางเหตุแห่งความสุ k นั้นเพราะว่าสุขทุกมันมีเหตุมันมาจากเหตุไม่ใช่มันเกิดขึ้นอย่างลอยลอยและ ว, วันนี้ความสุขกับความทุกขนี่นะมันเป็นปฏิปักษ์ต่อกันแลกกันคือมันเป็นศัตรูกันก็แล้วกันแหละ เมื่อความสุขเกิดขึ้นความทุกข์ก็หายไปอย่างนี้นะมันจะอยู่ร่วมกันไม่ได้อันนี้เมื่อความทุกข์เกิดขึ้นในขณะจิตใดความสุข ก, ก็หายจากขณะจิตนั้นเนี่ยไปทันทีอนนี้เมื่อย้อนมองดูต้นเหตุก็เหมือนกันเนะี่ยยกตัวอย่างเช่น เมื่อความโลภความตนีมันเกิดขึ้นในใจอย่างนี้นะไอความที่จะเป็นผู้ยินดีในการให้การบริจาคทานอันนั้นก็ไม่มีแล้วหายไปเลยความยินดีในการให้การบริจาคนั้นนะหายไปทีนี้พอระ ง, งับความโลภความโกรธความตนีเหนียวแน่ น, น ออกจากจิตใจได้อย่างนี้ใจก็เปิดกว้างออกเลยทีนี้ไม่ขับแคบแล้วยินดีในการให้การบริจาคทานเท่าที่จะทำได้อย่างนี้แหละก็ยังว่าธรรมะกับกิเลสนี่เนะี่ยมันเป็นคู่ป ร, รับกันนะเมื่อธรรมะเกิดขึ้นกิเลสมันก็หายหน้าไปองั้น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 เมื่อหาว่าความโกรธมันเกิดขึ้นเป็นเจ้าเป็นใหญ่อยู่ในจิตใจแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นแหละเมตตากรุณาธรรมนี่อยู่ไม่ได้ในใจนั่นนะอา้าวทีนี้เมื่อบุคคลมาเจริญเมตตากรุณานี้ให้เกิดขึ้นในใจให้มากขึ้นไปแล้ววันนี้ในความโกรธมันก็สั้างอยู่ไม่ได้ในใจนั่นนะมันก็ระ ง, งับไป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 เขายังเอาชนะกีเลสเหล่านั้นไม่ได้เหตุนัเขายังทําดีไม่ได้แต่ถ้าหาว่ามีผู้ชี้แนวทางให้เขารู้จักหนทางความสุขความเจริญได้เขาก็อาจที่จะทําความดีได้อยู่ไม่ใช่ว่าเขาจะต้องชั่วอย่างนั้นตลอดไปมันมีเวลาพื้นตัวให้เป็นคนดีได้อยู่คนเรานะ่ะ เว้นเสียแต่ว่าผู้ใดทําบาปหนักเช่นทําอนันตริยกรรมนั่นน่ะเช่นฆ่ามารดาฆ่าปิดาเป็นต้นเหล่านี้แล้วเป็นอันว่าตัดแล้วบาปกรรมอันหนักหนานั้นไปตัดหนทางแห่งความดีของผูนั้นขาดตอนไปเลยในชาตินั้นนะ่ะแม้บุคคลจะ ทำความดีอย่างไรอย่างไรก็ไม่พ้นจากบาปนั้นหมายความว่ า, างั้นบาปกรรมนั้นย่อมสุดค่าเอาไปไม่อยู่ในอเวจีมานรกน้น่นต้องไปเสวยผลแห่งกรรมชั่วนั้นจนได้ดังนั้นเลยในพุทธศาสนาในท่านจึงห้าไม่ทำโดยเด็ดขาดเลยอันหมนี้นะกีเลศ อันเป็นเหตุให้คนเรากระทำกรรมดีบ้างกรรมชั่วบ้างเป็นอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นให้พึ่งพาการสันนิฐานไว้ให้ดีมันก็ไปจากจิต ด, ดวงนี้วนี่แหละไม่ใช่อย่างอื่นใดถ้าฝึกจิต ด, ดวงนี้ให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิลงได้แล้วเช่นนี้คนเราก็ทำแต่ความดีแหละเลเื่อยไปนะ ความชั่วไม่ทำเพราะใจมันตั้งมั่นได้แล้วนี่มันมันยึดเอาความดีเป็นที่พึ่งได้แล้วดังนั้นเราอย่าไปเกียกร์คลานการนั่งสมาธิภาวนาการพทำความภาคเปลี่ยนเพ่งใจนี้ให้สงบให้เข้มแข็งอยู่ด้วยบุญด้วยคุณนั่นแหละผู้ใดเกียกร์คลานแล้ว ไม่เพ่งจิตตัวเองแล้วก็จิตนี้จะอ่อนแออยู่เรื่อยไปอ่าจากไม่มีกำลังเข้มแข็งเลยเพราะฉะนั้นไอ้จิตที่จะมีกำลังเข้มแข็งก็เพราะว่าเรานั่งสมาธิเข้าไปแล้วเพ่งลมหายใจเข้าออกเข้าไปสติอย่างเข้าไปให้มันถึงความรู้สึกนุ่นไป คมความรู้สึกคือดวงจิตนั้นให้มันตั้งอยู่ภายในทีแรกเนะี่ยมันต้องคมด้วยนะต้องช่วยคมอะ่ะเราจะไม่ออกแรงเลยนะไม่ได้ใจนี่จะรอแหละอยู่งั้นแหละหรือในสำนวนหนึ่งท่านเรียกว่าสะกดจิตอย่างนั้นให้เข้าใจอวิธีที่จะทำจิตใหส้สงบเป็นสมาธิลงไปได้เนะี่ย อย่าไปกลัวทุกการทําความเพียรอย่างนั้นอ่ะเมื่อเวลาไปสะกดจิตอย่างนั้นกิเลสอันมันมีอยู่ในหัวใจมันดิ้น่ะมันก็ปั่นจิตเอาเราก็ไม่ถอยเพ่งไม่ถอยเลยอะมันจะเดือดร้อนรุนแรงไงในใจชั่งมั่นเมื่อเราเพ่งไม่ถอยสสิมันแก่กล้าเข้าไปขันตีความอดทนมันเข้มแข็งเข้าไปอะมันก็เป็นถบาทรอ่ะเผากิเลสอันมัน หมักผมอยู่ในใจนั้นฮะมันระ ง, งับลงนั่นแหละเมื่อกิเลสหยามๆนั้นมันระ ง, งับลงในใจมันก็ส ง, งบลงได้ดังนี้แล้วให้พึ่งพาการเข้าใจวิธีปฏิบัติทางด้านจิตใจในไปรอ่อนแอไม่ได้เลยต้องทำให้เข้มแข็ง อ, อยู่ในใจเสมอ